พระบุญเจ้าพิสุพิสมีสิโลกและก็สวัสดีเพื่อนๆนักปฏิบัติทุทธนการที่เรามาร่วมกันในวันนี้นจะว่าไปแล้วก็คือเรากำลังมาทำบุญให้กับตัวเองภาวนาเป็นการทำบุญให้กับตนเองแล้วก็เป็นบุญที่สูงสุด ในทางพระพุทธศาสนาด้วยบุญที่เกิดจากการให้ทานอันนั้นก็เป็นบุญส่วนบุญที่เกิดจากการรักษาศีลอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งสูกว่าการให้ทานส่วนบุญที่เกิดจากการภาวนาอย่างที่เรามาปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นบุญสูงสุดในทางพระพศาสนา เงินโดยเฉพาะคนที่อาสาสมัครได้ทำบุญสองต่อเนี่ยต่อแรกคือได้ช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลือกันเนี่ยก็คือเป็นบุญอีกด้านหนึงก็คือเราสามารถจะช่วยตัวเองนอกจากเสวยเหลือคน่แล้วเรามาช่วยตัวเองด้วยการด้วยการปฏิบัติด้วยการภาวนาบุญคาว่าบุญเนี่ยหมายถึงความสุข จะเป็นความสุขที่เกิดจากภายในตัวเราบุญคือความสุขที่เกิดจากภายในจิตใจเป็นความสุขสงบเยน็นเป็นความปิติเป็นความสดชื่นอันนี้คือหมายถึงบุญการที่เรามาทำบุญที่เกิดจากความสงบอยู่ภายในจิตใจอันนี้กาเป็นบุญ ที่เป็นความเย็ยนอกเย็ยนใจก็ว่าเกิดเพราะความเย็ยนอกเย็ยนใจที่เกิดจากการเจริญสติเติรู้อยู่กับปัจจุบันอันนี้ถือว่าเป็นความเย็ยนอกเย็ยนใจที่แท้ ق. เป็นความสงบเย็ยนที่เราไม่ต้องแสวงหาจากสิ่งภายนอกอันนี้ทําให้สุขภาพเราดีทั้งด้านร่างกายและ จ, จะิตใจ มีความสุขที่แบบหนึ่ <Yeah. S 1> เป็นความสุขที่เราต้องสแสวงหาจากสิ่งนอกตัว <Yeah. S 1> สุขทางด้านการได้ดูสิ่งที่เราชอบใจได้ฟังเสียงสิ่งที่ไพเราะและก็ได้ทาอาหารในอาหารที่เราชอบอันนั้นก็คือความสุขที่ใหญ่เราต้องสแสวงหาจากสิ่งภายนอกต้องเสียเงินต้องเสียเวลา บางทีมันเปลืองเนื้อเลืองตัวบางครั้งต้องทําให้เสียสุขภาพร่างกายด้วยซ้ำเลเนี่เป็นความสุขที่ร้อนร้อกระวนกระวายใจถ้าเราในขณะที่เราทุกข์แายเรารู้สึกว่ากระวนกระวายใจรูปร้อนที่จะต้องเสียเงินอันี้สุดภ้ายบันทีทําให้เราเป็นทุกข์ด้วยซ้ำเลยความสุขประเภทนี้ แล้วท้าวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่สามารถจะแสวงหาความสุขประเ ท, ที่ได้เราไม่สามารถจะไปได้ต้องอยู่ในที่จำกัดเช่นในโรงพยาบาลหรือสิ่งเรืองล้อแม่มเงเราไม่สามารถจะแสวงหาความสุขที่อยู่นอกตัวเราได้เราจะเป็นทุกข์มาก เราจะอีดอัดคับเพลิงไม่สบายใจไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากภายในจริตใจซึ่งไม่ต้องออกมาสวางานที่ไหนเราสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าเราจะไม่ไดโอกาสไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปอยู่ที่บ้านของเราอยู่บนเตียงในห้องที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีข้อจำกัดมากแต่เราสามารถก็อยู่ได้ อยากมีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตัเองาไว้นะฝึกเรื่องของการสร้างบุญโดยการสร้างความสุขโดยการภาวนาอยู่ในที่จำกัดแบบนี้ต้องฝึกเอาไว้เพราะต่อไปทุกคนเนี่ยจะต้องป่วยจะต้องอยู่ที่บ้านบางครั้งเราก็จะอาจจะหมดโอกาสที่จะออกไปไหนเลยต้องพิการอย่างผม แล้วในห้อไอซียูนะถ้าเราไม่มีการภาวนาเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเราจะมีความสุขจะอยู่ยังไม่เห็นสุขเราไปอยู่ได้ไหมอยู่โดยที่ไม่มีโทรศัพท์พมือถืออยู่โดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ที่โดยไม่มีที่ ม, มีหรืหนังสือหรือวิทยุจะ อ, อยู่แบบเนี้ย เราอยู่ในไม้ถ้ า, าอยู่ไม่ได้เนี่ยเราจะมีทุกข์มากนะเพราะนั่งการอยู่ในี้เป็นการฝึกฝึกแบบไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวเราเท่านั้นเพราะเขาสายหแล้วถ้าบางวันเนี่ยเราจะโชคร้ายกลายเุ็นผู้ที่การผมเนี่ยซึ่งเป็นอะไรไม่ได้เล ย, เยมีที่ จ, จํากัดแค่แค่นี้า เ, เราแตทํางอย่าบ่คิดมาก คุณไม่มีโกาสอยี่เราถึงได้เลยเนีย่ยก็ตามคนที่มีความสุขเนี่ยหรือคนที่มีบุญแล้วคนที่มีความสุขคือคนที่สว่างในการใช้ชีวิตเนี่ยถือว่าเราเมื่อเรามีโอากาสเราอยากจะมีความสุขมากๆสุดๆนานเนี่ยเราต้องสร้างบุญนะเลื่อนต้นสะสมบุญเอาไว้นะสะสมบุญเนี่ยเหมือนสะสมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนการให้ทางการรักษาศีลการภงงาวนาก็เป็นการสะสมทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากภายในใจิตใจเราสะสมทรัพย์ข้างนอก ม, มากแนละ้วนั่นคือทรัพย์ภ า, ายนอกตอนนี้เรามาสร้างทรัพย์ภายในเพราะนั้นเราไม่เสียไม่เสียเวลา เรากำลังสร้างทรัพยนะ์งานเรียกอาเรียนทรัพย์ไม่มีวันหมดทรัพย์ภายนอกอาจจะเป็นเงินทองเป็นบ้านเป็นรถยนต์หรืออะไรต่างๆซึ่งอยู่นอกตัวเราเมันมีโอกาสที่สูญาหายนะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเมืองจีเนี่ยนะมีแผ่นดินไว้มีหน้าท่วม <c oughs> มันอาจจะสูงหายไกับสิ่ ง, งนั้นก็ได้ แต่ทรัพย์ภายในเนี่ยมันติดอยู่ที่เร่ที่ตัวเราที่ใจรมันไม่วันชนาไปไหนใครขอยิ่ก็ไม่น่าใครขโมยก็ไม่ น, น, จ น, นาจะเร่งไงทรัพย์ภายในเนี่ยนอยู่ที่ตัวที่ไม่ได้ตัวเราที่ ใ, ใจเรามีผลุี่หนาที่ว่าไม่มีคาามสามารถไม่มีใครสามารถจะลักขโมยเราไปได้เวลาเกิดเป็นนินไว้ เกิดปฏิบัติเนี่ยมันตกหน้าไม่ไหลังตกไฟไม่ไหนะม้นะทำให้ตัวเราเนี่ยพ้นไขได้เราก็มาเริ่มนะเริ่มสะสมสรา้างภายในนะด้วยการภาวนากนะ็เป็นการเริ่งต้นภาวนาภาวนาก็คือการทําจิตให้มันจเจริญทําจิตให้มันจเจริญหรือการจเจริญสติหรือการมาทําความรู้สึกตัว ก า, าาาาการมาทำความรู้ตัวในการมาทำซับไปไหนจะขึ้นในกิต ใ, ใจของเราการทำความรู้ตัวเไม่ใช่มานั่งคิดเอาเดีย๋ยวเป็นคิดไม่ต้องใช้ความคิดทำความรู้ตัวเนื่องใช้ความคิดใช้การสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้ให้สัมผัสรู้ลงไปเวาลาคือการทำํำ ผู้านมันสะบักรู้่ะไปนั่งคิดนั่งคิดอะไรไม่ใช่ของจริงเมื่อจะนั่งคิดปล่อยผิดปล่อยใจเรื่อยๆนันเป็นเรื่องของสมองสมองมันคิดมันมีโอกาสจะลืมได้แต่การสมนึกรู้เนี่มันเกิดจากจิตปัญญาจากาาจากิตปัญญาเราเขาไปรู้สึกรู้สึกมันไม่มีวันรืม มันติดเนื้อติดตัวเรามันเข้าไปถึงปกถึงใจด้วยการรู้สึกลงไปด้วยปีติยินญาให้นาไม่ได้คิดคิดเป็นเรื่องของสมองการทำความรู้สตัวเนี่ยไม่ใช่นั่งับบนี้คิดเห็นเป็นวิวิธอะไรแต่ปลกๆเป็นเทวดาเป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นความคิดซึ่งไม่ใช่ของจริง เนี่ยเราคิดเอาคิดเอาถ้าเราลืมตาขึ้นมาทุก อ, อย่างปัญหาไปหดเลยเพราะของจริงมันต้องลืมตาแล้วก็มองเห็นถ้าหลับตาแล้วก็คิดสลับพัดอย่างนั่นหละไม่ใช่เป็นการทางความริดตัวเป็นความหลงลืมตัวไปแล้วและการรักษาความรูมตัวให้รู้ธรรมดาธรรมชาติอย่าไปทำอะไรแปลกแปลกเดินามเอาเป็นปั้ง พุ่มปักมันไม่ใช่ธรรมชาติหรือทำท่าทางอะไรตกเลื้อกตกตัว ห, วหรือเดินจงกลมเดินว้อยหลังเดินท่าแลกๆไม่ใช่ธรรมชาติหรอการภาวนาหรือการทำอรรถโทอะไรอย่าทำอะไรแปลกะทาตามปกติตามธรรมชาติธรรมชาติบอกว่า รูุ้กตัวทำงาที่เดินไปบวันเนียคือรู้ทุกตัว <c oughs> มันเหมือนเป็นโลกมนนันต่างนะบางคนมันหนีตกอกมันน่งหนีตกอกบางคนเดินรยกเดินโอ้โเดินแต่ก็วิ่งไม่ตรบะชาเหมือนเสือติดใยให้ต า, ามธรรมชาตอย่างที่เรามีแบบฝึกในยุค เป็นแค่ แ, คแบบเปเป็นแบบเปิดเป็นแบบเปิและดูจะไม่ค่อยธรรมชาติแต่มันคือธรรมชาติของการแบบเปิดหรือการเดินจงกรมเนี่ยเดยินไปเดินมาเนอันนี้เป็นแบบเปิดเหมือนเรากำลังมาเข้าโรงเรียนมาเข้าวิธีการผลิดตรงนี้อันนี้คือแบบเปิดเราคือแบบเปิดคือแบบเปิดต้องทำาะไรเฉพาะที่ของเราเมื่อเราเล่นกีฬาทุกท่านเคยเล่นกีฬา อนะย่างชก ม, มวยเราก็ต้องแบบฝึกชกกระอกฝึกตีซิงค์ตีแบดมินตันก็ต้องมีแบบฝึกเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแบบฝึกพวกนีไ้ไปใช้ที่ตลาด<ม>เวลาเดินไปตลาดจะยกมือสังอาหารแล้วก็ด้านยกมือหน้าร้นานาไม่ใช่นะเราใช้ชัว่วขนาดที่เราถนัออกไปนอกไปใช้ตามปกติใช้ยืดแบบปกตินะไม่ใช่ว่าไปเดินไปไหนก็ยกมือไปไหนก็ยกมือ ใช่ไเราเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเดินตรงกลมเี่ยเป็นแบบเปนเฉพาะที่เราใช้เฉพาะที่ถึงเวลาเราฝึกเราก็ต้องยกมือสร้างจังหวะเดินตรงกลมอันนี้ก็เฉพาะที่เหมือนที่เราปัจาเนี่ยเราทาเข้าวโดยตะเกียบและเราก็ต้องวางเอาไว้ไม่มีใครปมตะเกียบไปด้วยเพราะฉะนั้นปฏิบัติให้เป็นธรรมดาธรรชาติอย่าทำอะไรแปลก จเจริญติหรือสำความรุ่นตวให้สงบธรรมชาติทําทสบายสบายทำเรื่อยๆแล้วอิ่เนี่ยทิ่มขอเราเนี่ยมันจะค่อยสะสมสะสมเ ร, รื่อยๆเพราะฉะว่าทํารั้งเดียวแล้วบรรลุผลเลยไม่ใช่ต้องให้สะสมไปเมืม่อเราทานข้าวทานไปทีละชอ้อนทีละชอ้อนเนี่ยมันไม่อีกมปลยไม่มีใครยกทั้งถา และไปอีกเลยที agi, k k wa, ่นี่ท <stereotypes> ํางค่อเหมือนกันเดินสี่ยงค่อยๆยกมือแล้วก็รู้สึกตัวไปธรรมดาเดินโมบมไปก็รู้สึตัวไปธรรมดาทําแล้วก็ตาม่างค่อยเก็เกี่ยวความรู้ตัวไปค่อยๆพัฒนาให้ติดพัฒนาตัวเองจะเย็นๆจะร้อเข้าตัวมาร้อแต่แล้วก็ภายในจะเย็นๆเวลาเรื่อนไหว พยายามดูวรู้สึกใช่ได้แล้วเร า, า้าปาหารู้สึกใช่ได้แล้ว mm hmm. เนี่ยถ้าไปตกองไปจะได้ยินน้อยเนี mm ่ย hmm. เราเพื่อไหวปัแบบ๊บรู้สึกเป็นผลเรียบร้อยเราคลิกมือรู้สึกให้รู้ทีลักษณะทีลักษณะรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่ง mm hmm. แค่นี้เราเก็บเกี่ยวไ ป, ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอแนละ้วะ เราเคลื่อนไหวเป็นเหตุจิต ท, ที่รู้สึกนะเป็นผลนะการเคลื่อนไหวแตละครั้งนั้นนะเป็นเหนแต่การรู้สึกและครั้นนะั้นมันเป็นผลเป็นผลได้ผลเรียกร้อนตรงที่เรารู้สึกให้มันจบลงที่ความรู้สึก <c oughs> เวลาใจมันคิดเราก็รู้สึกเนี่ยแค่นี้คิดเป็นเหตุรู้สึก เพราะว่ามันคิดนั course, ่นเอหมดก็ใช้ได้เวลาตายเค่นไให้รู้ให้่ำรู้ให้ทำเวลาจิดมันคิดรู้ให้คำนะพยายามรู้ให้ทำแต่ถ้ารู้ไม่ทำไม่เป็นไรรู้มารู้มาไม่เป็นไรเพราะนั้นเวลาคนเวลาปฏิบัติถ้ารู้ไม่ทำลืมไปแล้วไม่รืมไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปเป็นอีกไป้ ก็เริ่มต้นรู้ใหม่เป็นจิตใหม่เวลามันลงมือไปยังคิดไปอารม้์ใหม่เริ่มต้นรู้ใหม่เริ่มต้นรู้ใหม่เป็นจิตดวใหม่ให้จบลงที่รู้อย่าลืมรู้อย่าลืมรู้หรู้ไม่ทักทิ้งไปรู้ใหม่รู้ไม่ททิ้งไปรู้ใหม่รู้ใหม่จะป็นจิบัหมให้จบลงที่รู้แล้วก็อย่าลืมรู้คือรู้สึกนั้น เวลารู้เนี่ยก็อย่าเปเพ่งนะอย่าเป็นเพ่งรู้สึกตัวเลยรู้การหรอย่า เ, ะะเป็นเพ่งให้รู้สบายๆรู้ชิ้ๆแต่ผ่อนผันบบให้รู้แบบยิ้มอยู่ภายในรู้แบบดูดูใครง่วงมัน ต, โโโงงตาโตๆง่วงได้นะถาวไดแต่อย่าลืมรู้แล้วเราจะรู้สึกตัวกันทไม แต่นี่คือคำถามเราจะรู้จักตัวไปทำไมดู้ไหมเรารู้จักตัวเพื่อการป้องกันการหลงลืมตัวเไงนะเราทะไรแล้วไม่รู้ตัวเลยเราหลงลืมตัวตลอดทำให้ความใจจริงทั้งหมดเลยมันจริงโยกกะที่สิ่งภาค น, น่าเห็นไหมเวลาเราใจเราคิดเนี่ยโมเดคิดแต่เราลืมตัวเรา มีใครเดินสะดุดล้มหรือเดินชนลุมอย่างนี้ไหมน่าลักคือการหลงลืมตัวเคลืมหมเคลืมแว่นตาลืมนาฬิกาลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือมั่นเาเราเป็นลตัวมีไมเเราคิดถึนมาเนี่ยเราอยากแม่อะไรสักอย่างคิดอยากได่สักอย่างอย่างพุชานี่อยากได้ตเหมาไถ่ก็ตื่นตรเี่ย ชูลาเขาขายสตูเนี <If> ่ยเคยเคยรู <If> ้ข <l ương> <smiled> ันไหมแล้วเราหลงตัวแล้วเราก็ไปหาเขาขายมาดีแล้วก็เมาเฮ้ยพอเราหรู้ตัวแล้วมันจะดว่ารู้นี้ไม่น่าไปเลยเคยไหมถึงผู้หญิงเนี่ยเวลาเจอความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่รู้ตัวไปด่าเขา ไปว่าเขาแล้วต้องนะอรีบว่าัวจะาหายไวแล้วบาทีก็ทำลายนะไปตอกไปซีเ<ม>นี่ยมาทำานะร้ายเขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวบี้ยเตีนะ้ยเขาเนี่ยติคุกตีดตลาดติดกฎหมายแล้วความเสีใจว่าเราไม่น่าเลยเราไม่น่าทําเลยแล้วก็ทําไปแล้วแก้ไขไม่ได้คําพูดบางคางเนี่ยบางคำที่เราพูดไปเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ย ตอนแรกเราไป็นายเนการมาพูดพอพูดไปแล้วเนี่ยโอ้โหตายเลยเราไม่น่าพูดเลยเขาพูดก็บกับเป็นนายเราเราต้องตายทุ้มหัว้เขาพูดของเราแล้วมันแก้ไขไม่ได้เสียใจไปตลอดนี้ก็มีนะเนี่ยเป็ น, น, น <Yeah. S 1> เพราะเราทำเราพูดโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันอันตรายถึขนาด น, นี้ น, ะนีแค่ส่วนหนึ่งนละ้วยังมีอีกมากไปที่เป็นทุกข์เป็นโทษ ของการที่เราไม่รู้ตัวย อ, อยู่แล้วนะเราหลงหนึ่งตัวดังนั้นเราเราต้องฝึกฝึกให้รู้ตัวเข้าไว้ให้รู้ตัวที่ปัจจุบัน เ, เข้าไว้เพื่ออะไรเพื่อติดจะได้ตื่นรู้ตัวให้ตื่นการปฏิบัติเนี่ยการเจริญติดเนี่ยอย่าไป็น่วความสงบอย่าเป็นมั่วความสงบเอาความตื่นรู้ตื่รู้ไปหลังแม้ว่าสงบเนี่ย เราก็มีความรู้สึกตัวในความสงบด้วคนส ม, มาเวลามสงบแล้วปล่อยจิตปล่อยใจไปจมแช่ความสงบจิตไม่ตื่นหลับไหลอยู่ในความสงบเหมือนอยู่ในมุงเนี่ยให้รู้สึกตัวให้ตื่นออกมาเตือนว่าจะมาสงบความสงบเราไม่ใ ห, ห้เมื่อมันสงบให้มันรู้ให้ตื่นการตื่นรู้แต่ละครั้เนี่ยเหมือนตืต่นธระมาดาความหลังไหล เตือนมาจากออกมานอกมุมออกมาดูมุงอยากเข้าดูมุง้งมันจะไม่เห็นมุมเตือนมาเพื่อเตือนออกมาจากความมัว่วความหลงไหลเตือกมาจากการที่มันเคลื่อนไหวมันเป็นผู้ดูกายเตือนออกมาจากความหลวงเป็นผู้ดูในความหลงเตือนมาเพื่อจะเป็นผู้ดูผู้ดูอยากเข้าไปอยู่อยากเข้าไปแท้ถ้าเรา รู้สึกตัวจนการตื่นตื่ น, นออกมาจากความหลมงวงง่ายตื่นออกมาจากจากงงตื่นมาจากกายที่เคลื่อนไหวตื่นออามาจากสิ่งที่มันคิดพอตื่นไปแล้วก็ติดจะไปอิสระอิสระคือมันจะเปิดบานสง ส, สัยเบิดบาเรื่องนี้คิดออกไม่ได้ถ้าคิดเอาไแล้วก็ยังติดอยในความคิดยังหลับไห ล, นะลในความคิดน่ะยังหลงในความคิดอย่าคิดเอาให้เรามาทำความรู้ตัวเลย ให้สัมผัสรู้ตัวเลยโดยการเคลื่อนไหวนั่ก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันจะตืต่นออกมาจากอารมณ์จากความคิดออกมาเป็นผู้ดูอย่าไปคิดรู้สัมผัสรู้เนี่ยมันจริกว่าคิดรู้นั่นมันจใครว่าอร่อยล้มมื อ, อทําไมถึงรู้ว่าอร่อยเราคิดเอาไว้เราลองดูเราคิดว่ า, ดดามันอร่อยไหม บางทีคิดว่าอร่อยแต่เวลากินแล้วไม่อร่อยใช่ไห้ครัของจริงมันต้องลองชิมดูไหนใกลัวเข็มฉีดยายากมือกลัวเข็มฉีดยาในเราเราเคยโดนฉีดหรือยังไม่เคยโดนฉีดเหรออีตอนคิดว่าตอนที่เข็มฉีดยาเป็นฉีดเนี่ยเราคิดเจ<ก>็บแน่ใช่ไหม แต่วลา ก, กินก้อนกินเนี่ยโอ้โหมันเหมือนมดกัดเอย่งางเมื่อวานเนี่ยวานเล่าหน่อเมื่อวานเนี่ยผู้ช่วยผมเนี่ยคุณกูจินยกแคนตาลูมมาให้สับเป็นจิ้ิซึ่งผมไม่ใคยกไม่ไอยากกะคตลมอ่กนะกินแล้วมันมันมีกลิ่นมากมันไม่ได้หวานนี่อะไรไม่ชอบเราก็บอกไม่ชอบกินไม่ชอบกินแต่ก็บอกอาจารย์ลองกินดิ อาจารย์เราดิ้นเนี่ยแค่ทุีอร่อยนะหวานกอเราคิดเราก็ไม่เชื่แต่พเราดิ้นไปแล้วกัจะลองกินหนึ<ะ>่งรอานมาต้สี่ห้าทิมันอร่อยเพราะเราได้สัมผัสรูปยากปนนันมงมือนั่ ม, มัตัโตตื่นห้ามถ้าใครหลักจะไปลากนหนึ่งนาทีที่ถ้ <laughs> ก็มี อาจารย์เซ็นกับรูกสิยอาจารย์เสลูกสิษย์แล้วตอนนี้ว่าอาจารย์เซ็นะอาาเซสอนเรื่องความรู้สึกตัวให้ลู้สิษปฏิบัติแต่รูกสิษไม่ย อ, อมทำโมจะคิดคิดคิดคิดแล้วก็คอยถามอาจารย์ครับความรู้สึกตัวเป็ น, นยังไรอาจารย์ก็ไบมาสอ ลูกศิษยกนอาจารย์พามความรู้สตัวเป็นยังไงอาจารย์ก็ไปตอู้สึกก็นั่งเลื่อยลอยเมยลอยอาจารย์จนนีข้อใรู้สึกเมืยลอยก็เลยเอามือไปเลื่อนแรงๆความไม่เดือดนี่ยปวดไปที่หลังลูกศิษย์ลูกศิษย์จะรุ่มโยงนะฮะสะดุ้งมาเลยนะน้ำตื่นมาจากความคิดนะอาจารย์ก็จะเอาไม้ปวดอีกท รู้ิถอยหลังโง่เลยก็ขกงกาลผมรู้จักนะครับรู้องครับรู้นะครับความรู้สึเป็นเยานเองครับได้สำอบจากการสมัครรู้จากอาจารย์เซนตอนแรกสอนต่ละรสอนเรื่องให้มีรู้สึกตัวนะตัวสิ่งก็มวยแต่ถามไม่ทันนัดดีถามยังไม่ติดใช่ไหมเดียวใช่หมเดียวใช่หมเดียวขวดปับเปิกรลุกโง่ทางนี้ไปนะ กุลีสงมหาไม่เร็่วให้อาะจันนรสกถ้าใครสงสัยนะรู้ตัวไม่ไงเดี๋ยวมาจันนรสการแล้วจขวดทีละคนกีละคนจะได้เราพูดปว่าเราพูดกันเพราะใ้่ช้ขวดจันรสสุดปวดนะนะพวกเราก็มาที่นี่โอกาสดีแล้วเป็นโอกาสที่เราวางจากการหาทรัพย์ภายนอกถ้าทวดเปล่าเนี่ยราสร้างสรัพย์ภายใน สร้างสร้างภายในที่ไม่มีวันสูญหายเราอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเดิกทารขยันยิดสติก้าวขาหนึ่งรูุดตัวในเก็บเจ็บสร้าแล้วเรียนยวนไม่เรียยวนเต้าขารูร้ตัวเก็บไล่ไปเรยนยวนทุกครั้งที่รู้สุดตัวในเก็บเรียนยวนเก็บจนไปสร้ภายในเนี่ยันเนี้ยเราจะรจิงได้ตลอดไปแล้วก็ขอเปิดความรั้ดงเนี่ยให้สนุกกับตาม ทำบางสุวนตวและก็พูดกัน